ดูความพิสูจทั้งหลายมูลรากแห่งทุกขที่ใครขุดไม่ได้อันพิสูจขุดได้แล้วอย่างไร น, นะมูลรากแห่งทุกน ะ, ะคาว่าทุกขตัวนั้นมาจากคําว่าฝีนะเขาแปลแปลคําว่าฝีออกเป็นทุกเลยนะจริงจริงมูลรากแห่งฝีที่ใครขุดไม่ได้อันพิสูจ ข, ขุดได้มันเป็นอย่างไรทุกตัวนั้นมาจากคําว่าฝีนะนั้นคำว่านนะคันดะคือฝีเนี่ยเป็นชื่อของกายอันนี้ น, นะ จริงหรือเปล่านะยอมรับว่าเออฝีเนี่ยเนี่ยบริหารฝีอีกแล้วเนี่ยต้องเช็ดหนองนะเช็ดตาทีเออเช็ดฝีทีอทา่ า, อานะคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะสมัยก่อนน ะ, อ, นนะอุปมาณี้จะชัดมากเนี่ยนะเพราะคนเป็นฝีกันมากอ่าสมัยนี้ไม่ค่อยเป็นเลยอุปมาณี้เลยล้าสมัยมากอ่านะก็บอกเออเนี่ย มูลรากแห่งมะเร็งเนี่ยมูลรากแห่งเอทที่ใครขุดไม่ได้อันที่สุดนั้นขุดได้แล้วเนี่ยต้องว่าอย่างนี้แทนนะนนก็โดยอัจถามเหมือนเดิมมานะเปลี่ยนพยันชนะซะหน่อยมูลรากแห่งมะเร็งเหนะ็นไมูลรากแห่งเอทมูลรากอะไรอีกแต่มันที่เขากลัวกลวนั่นแหละเพราะฉะนั้นคําว่า ฝีเป็นชื่อของกายนี้อันจริงนะไอ้มะเร็งเนี่ยมันไม่ได้ไปลงที่ต้นไม้ใบายายใช่ไหหรือว่าเอดมันไม่ได้เป็นกับโตเกวอีเนี่ยเป็นที่กายนี้แหละเพราะฉะนั้นคำว่าเนี่ยฝีมะเร็งเอดเป็นชื่อของกายนี่แหละอันติอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูต ร, รูปสี่มหาพูดก็คืออะไรปัทวียี่สิบอาโปสิบสองเตโชสี่วาโยหนกะซึ่งมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด เติบโตขึ้นเพราะข้าวสุกและขนมสด ม, มีความไม่เที่ยงแต่ก็ไอสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่ก็ต้องขัดสีใช่ไหมนวดฟันในที่สุดก็แตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดามบำรุงอย่างดีเลยนะในที่สุดเนี่ยนะเลี้ยงดีๆขนาดไหนก็ไม่ใช่ว่าไม่แตกนะไมในที่สุดเนี่ยนะกระดูกเท้าก็ไปทางหนึ่งกระดูกแขนก็ไปทางหนึ่งกระดูก เอวก็ไปทางหนึ่งกระดูกศีรษะก็ไปทางหนึ่งกระดูกกระอันก็ไปทางหนึ่งนะีนะกระดูกแข้งกระดูกขากระดูกซี่โครงไปคนทิศคนละทางกันหมดแล้วนะมันก็ต้องมีการแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดานะคําว่าคันดมูลคือมูลแห่งฝีหรือมูลแห่งโรคอันนี้เป็นชื่อของตันหาที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตันหาภิกษุละเสียแลว้ว ให้มีรากขาดแล้วรากคขื่อวิชานะตันหาเนี่ยละแล้วให้มีรากคขื่อวิชาหมดแล้วทําให้เป็นเหมือนตาญยอดด้วนทําให้ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะไม่ให้มีไม่ให้เกิดไม่ให้อะไรอีกเลยนะเป็นเหมือนกับทําสมัยพมไทยเราก็ตอมะพร้าวใช่ไหมตอมะพร้าวก็ได้เนี่ยนะมะพร้าวถ้าตัดไปกลางเนี่ยนะไม่มีงอกเงยนะ โด่ความพิสูจนทั้งหลายมูลรากแห่งทุกที่ใครๆขุดไม่ได้พิกษุขุดเสียจแล้วอย่างนี้แหละก็คือขุดตันหาขุดอวิชชาตันหาก็คืออะไรคือเพลิดเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะนั่นคือตัหาอาวิชชาก็คือความไม่รู้ในเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเหตุเกิดความดับอสาทะธาอาทีนวะนิสรณะอันนั้นเป็นอวิชชา ทีนี้ผู้ที่ไม่เพลิดเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจพ่อรู้พิษภัยของสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีแล้วก็รู้เหตุเกิดความดับอา ส, สาทาอาทีนวานิสรณะจนออกจากทุกได้อันนั้นแหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ขุดมูลรากแห่งฝีแห่งโรคแห่งมะเรง็งแห่งเอททั้งหลายที่ใครขุดไม่ได้เนี่ยเป็นผู้ขุดได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะ ดูการพิสูจทั้งหลายได้ยินว่าอุทกะดาบทรามบุตรย่อมกล่าววาจาอย่างนี้ว่าเราขอบอกเราเป็นผู้จบเวทโดยส่วนเดียวเราขอบอกเราชนะทุกอย่างโดยส่วนเดียวเราขอบอกเราขุดเสเร็จแล้วซึ่งมูลรากแห่งทุกข์ที่ใครๆขุดไม่ได้โดยส่วนเดียว ดูการพิสูจนทั้งหลายอุทกดาบทรามบุตรนี้ยังเป็นผู้ไม่จบเวทก็กล่าวว่าเราเป็นผู้จบเวทยังไม่ชนะทุกอย่างก็กล่าวว่าเราชนะทุกอย่างยังขุดมูลรากแห่งทุกข์ไม่ได้ก็กล่าวว่าเราเนี่ยขุดมูลรากแห่งทุกเสียแล้วนั่นะดูการพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อพิสูจน์จะกล่าวข้อนี้โดยชอบควรกล่าวว่าเราขอบอกเราเป็นผู้จบเวทโดยส่วนเดียวเราขอบอกเราเป็นผู้ชนะทุกอย่างโดยส่วนเดียว เราขอบอกเราเป็นผู้ขุดมูลรากแห่งทุกข์ที่ใครขุดไม่ได้โดยส่วนเดียวนะถ้าอย่างนี้เนี่ยนะคำว่าพิสูุนอันนี้ก็หมายถึงใครก็หมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเองนะว่าให้ตรงอันนี้หมายถึงพระองค์นั่นเองคือถ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายนะที่จะไม่ยึดติดว่าสิ่งนั้นคือนิพพานแบบอุทกะกดาบทเนี่หายาก ถ้าเข้าไปถึงภาวะที่สงบขนาดนั้นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าขั้นตอนที่จะเจริญให้ได้เนวะสัญญานาสัญญายตนะไม่ใช่ของทำง่ายเลยเนะเป็นสิ่งที่ยากมากอะ่ะคิดดูนะถ้าถ้าเรากล่าวโดยลำดับขั้นที่จะได้เนวะสัญญาเนี่ย mm hmm. เบื้องแรกเนี่ยละนิวรณ์ห้าชนิดแล้วจึงได้ปฐมฌานเอาเอ่านะไม่ใช่ละแบบนี้นะละแบบได้ฌานอาปฐมฌานเนี่ย ทีนี้คนที่ได้ปฐมฌานนะจะละปฐมฌานเพื่อให้ได้ทุติยฌานนี่ก็เป็นของยากนะตัดใจปฐมฌานแล้วได้ทุติยฌานได้เนี่ยก็เก่งมากแล้วตัดใจทุติยฌานแล้วจึงได้ตตทยฌานน่ยนะตัดใจในตติยฌานนี่จึงได้จดตุตฌานตัดใจในรูปประสัญญาปฏิฆาสัญญานานะัตตะสัญญาเนี่ยจึงเข้าอากาสานัญญายาตนะได้ตัดใจจากอากาสานัญญายาตนะนั้นจึงได้วิญญาณัญญายาตนะ ตัดใจจากวิญญาณจารย์ตนะจึงได้อากินญาญญายตนาตัดใจจากอากินญาญญายตนะจึงได้เนวะสัญญาณาสัญญายตนาเนี่ยโอ้ตัดมาตั้งเยอะแลยนะพอมาถึงขั้นนี้โอ้โหบรรลุแล้วเนี่ยนะนะถ้าทั่วๆไปเนี่ยถ้าไม่ได้สะสมบุญมาเต็มที่เป็นกลุ่มชาติสุดท้ายเป็นต้นโดยมากก็ถือว่านี่แหละที่สุดแล้วเนี่ยนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยความที่ท่านสะสมบุญมามาก ซึ่งวิชาเนวะสัญญาเนี่ยท่านไปเจริญอยู่ไม่กี่ไม่กี่พักเดียวท่านก็ได้อยู่แล้วจริงๆท่านปกตินะท่านได้ปฐมฌ า, านตั้งแต่เด็กๆแล้วอายุเจดขวบนี่นั่งกำหนดลมก็ได้ฌานนะท่านทําได้ตั้งอายุเจ็ดขวบแล้วนะเก่งมากนะเพราะเนวะสัญญาเนี่ยถ้าบอกว่าอาจารย์พูดจบท่านก็รู้เลยว่ามันคืออะไรเนี่ยนะบอกวิธีว่าเขาคิดกันยังไงอ่นะแล้วก็ไปทําตามแล้วก็มาเล่าให้ฟังเออ อุตส่าหดาบทนี้ต้องยอมรับว่าท่านมหาสมณะว่างนั้นท่านเช่นใดเราก็เช่นนั้นเราเช่นใดท่านก็เช่นนั้นแบ่งลูกศิษย์ให้ครึ่งหนึ่งเลยอ่ะยกให้เป็นอาจารย์ใหญ่เท่าตัวเองทันทีเลยนะว่าเก่งขลาดนั้นน่ะใส่แล้วพระโพธิสัตว์ความที่ท่านมีบุญมากท่านก็ตรวจดูว่าไอเนวะสัญญานาสัญญายตนาอันนี้เนี่ยเป็นกุศลที่ยังให้วิบากอยู่เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเหตุอันนี้ก็นําเพื่อปฏิสนธิใน เนวสัญญาณาสัญญายาตนะพบมันไม่ใช่สิ่งที่เรามาหาท่านรู้เลยใช่ไหมเพราะทิ้งสิ่งที่ท่านมาหาท่านหาอะไรท่านหาอาริยมรรคท่านไม่ได้มาหาเนวสัญญาณาสัญญายาตนะพอได้เนวสัญญาณาสัญญาญตนะบอกมันไม่ใช่เ น, น, นี่ยนะมันถ้าเป็นทั่วๆไปนี่ก็มหมยากนะที่จะตัดใจได้ขนาดนั้นของเรานั่งปีติได้ทั้งวันทั้งคืนนี่ก็อดีเยี่ยมแล้วเนาะ มันจะนั่งเมื่อไรก็แห้งแรงยนะยังไม่ได้รดน้ำมาสักสมเดือนอย่างนั้นในย่อหน้าสุดท้ายอัตถกถากล่าวว่ากายนี้เชื่อว่ามีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเพราะว่ามีแล้วกลับไม่มีอันนี้ถ้าเราศึกษาตรณปเรญญาหรือสัมมสาสัญาณมาดีเนี่ยนะคือมีแล้วมีเนี่ยกายนี่มีเมื่อไหร่ ใช้คำว่ากายเนี่ยมีอ่ะมีเมื่อไหร่ก็ตั้งแต่ตอนเนี้ยถอยไปหาปฏิสนธิการเนี่ยแหละเรียกว่าตอนมีแล้วตอนไม่มีอ่ะเมื่อไหร่ของใครก็ของใครใช่ไหยจะบอกกันได้ยังไงอย่างนั้นอ้าพราะไอ้ตอนไม่มีนี่ของใครก็ของใครนะเพราะอะไรเพราะว่ามันบอกวันตายกันไม่ได้หรอกอย่างั้นเพราะฉะนั้นก็คือคือคําว่ามีหมายถึงตอนเกิดไม่มีก็คือหมายถึงตายนั่นเองอไนะ พันธุ์ซึ่งกายเนี่ยเกิดมาแล้วอะ่ะไม่ตายไม่มีรอกอันนี้ก็กล่าวว่าเป็นตีรณะปริญญาเบื้องต้นเลยนะที่พิจารณาถึงความไม่เที่ยงนะปกติแล้วถ้าใช้คาว่ามีแล้วไม่มีเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรก็คือเป็นสิ่งที่ชั่วคราวเป็นสิ่งที่มีที่สุดเป็นสิ่งที่ปฏิเสธต่อความเที่ยงแปล ว, ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอนะ เขาบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเท่ากับเป็นเป็นทุกข์ใช่ไหมดัน้นคำว่าไม่เที่ยงอันนั้นก็คือประกาศอานิจจังเชื่อว่าอบเป็นธรรมดาอันนี้หมายถึงประกาศทุกขลักษณะคำว่าอบเนี่ยหมายถึงการลูบไล้ด้วยของหอมเพื่อประโยชน์แต่การกาจัดกลิ่เนเหม็นเนี่ยนะก็คือโดยอัดก็คือไมายถึงเนี่ยล้างหน้าแปรงฟันตัดกวาดเช็ดทูเนี่ยทั้งวันเนี่ย ท, ที่ที่ทํ ท, ท, ทกันเพื่อกายเนี่ยเรียกว่าอบละ อนะไม่รู้มาจากบาหลีอะไรคำนี้น่าจะเป็นคำที่มีเชื้อที่มีปอใจเม่อไห่น่าจะแปลใหม่การคำว่าอบในที่นี้หมายถึงการอาบการอันนน่าจะแปลว่าบริหารใช่ไหมคือจะต้องลูบไล้เพื่อกําจัดกลิ่นเม้นต์เนี่ยนะเชื่อว่ามีการอาบนวดเป็นธรรมดาเพราะว่าใช้น้ําแล้วก็นวดเพื่อประโยชน์จะบรรเทาความเจ็บปวดอวัยวะน้อย ในเะนี่อบเป็นธรรมดาที่เข้าใจเลยผมคิดว่ายังแรงอยู่ขนาที่อบทำไงว่าอบอ่ะ น, นีนแค่ตัวนี้เขียนที่หนึ่งคำว่าอบก็หมายถึงรูปไร้การอาบการกําจัดกลิ่นเม้นแปลงฟันล้างหน้าเนี่ยที่ที่ทํากันอยู่ทุกวันเนี่ยเราเรียกว่าอบละในนะีหรืออีกในหนึ่งนะคําว่าอบก็หมายถึงการประครบประงมเนะี่ยแปลอีกในหนึ่งว่าการประครบประงมเป็นธรรมดาเพราะอะไรเพราะตาเนี่มันก็ต้องทงาําไงหยอดใช่ไหม หยอดตาถ้าตาก็ต้องหยอดถ้าอย่างอื่นก็ต้องดัดดัดเพื่ออะไรเพื่อความสมบูรณ์แห่งสวดทรงแห่งอวัยวะนั้นๆทํายังไงอาจจะได้มันสวดทรงจะให้มันดีขึ้นเนี่ยนะถ้ากล่าวแล้วเริ่มแรกเนี่ยจริงๆแม่ก็เริ่มดัดให้ตั้งแต่เป็นทารกแล้วใช่ไหมแม่บางคนนี่ก็เริ่มดัดขาให้ลูกตั้งแต่เล็กๆเนี่ยนะพระโตไปแล้วมันดัดไม่ได้ดัดให้มันสมมุติว่าหุ่นไม่ค่อยดีก็ดัดดัดให้มันดูดีหน่อย โตขึ้นมาเองแล้วต้องมาดัดเองอีกใช่ไหมไปแอโรเบกไปรํามวยจีนนี่ก็เพื่อจะดัดพวกมันนั่นแหละโอ้ดัดยากั้นนะักกายอันนี้เน น, นีต้องวิ่งต้องเดินต้องออกกําลังกายสารพัด ต, ต้องเดินสายพานเนี่ยเพื่อที่จะประครบประงมอันนี้คือการประกาศทุกขลักษณะนะเมื่อกี้บอกว่ามีแล้วไม่มีอัะนันอันนี้คือประกาศอ น, นิจจังใช่ไหมไอสิ่งที่มีแล้วก็ไม่มีเนี่ยมันมันบริหารกันขนาดนี้เลยนะ มหาบริวามหาบริหารเนี่ยนะโอ้เลี้ยงยากจริงเลยนะเลี้ยงทองผิดศีสากเอาสิเลี้ยงแขนผิดขาเลี้ยงข้ามันผิดทองเนี่ยนะเลี้ยงไปเลี้ยงมามันวุ่นวายไปหมดเสร็จในที่สุดก็ต้องกระจัดกระจายอีกตายแม้เขาบริหารอย่างนี้ก็ยังแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาอันนี้เท่ากับประกาศอะไร ขนาดดูแลมันยังขนาดนี้มันยังไม่ฟังเลยอ่ะมันยังแตกอี ก, ก็เท่ากับประกาศอนัตตาเนี่ยนะแสดงว่าไม่มีใครที่จะมีอำนาจนะว่าไอ้ที่เกิดแล้วก็ขอจงอย่าแกไอ้ที่แก่แล้วก็ขอจงอย่าตายเนี่ยนะไม่ได้เพราะว่ามันมันเหนือเกินกว่าที่ใครจะไปไปมีอำนาจบังคับบัญชาสิ่งเหล่านี้ได้จริงเนี่ยนะ ก็จริงจริงก็สมกับสูตรก่อนเนี่ยนะก็น่าคิดตามสูตรก่อนนะบอกกายไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละกายเสียกายที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขใช่ไมจริงจริงเราก็เราก็รู้ใช่ไหมว่าเออกายเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็แก่แก่แล้วมันก็เจ็บเจบแล้วมันก็ตายเป็นต้นเนี่ยนะแต่เวลาเจ็บทําไมเดือดร้อนเอานะสมมติอย่างที่มีโยมเล่าให้ฟังว่ามีเจ้าหนะ้าที่แผนกที่เป็นโรคมะเร็งใช่ไหม ไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าเป็นมะเร็งมันไม่เป็นไรหรอกอนะฮะคอยอธิบายให้คนไข้ที่เป็นมะเร็งฟังวันหลังเจ้าหน้าที่ไปเอ็กซเรย์เองเลยนะแทบจะเป็นลมให้ได้เ <c oughs> จ้าหน้าที่เอาตัวเองเลยนะแล้วโยอมแล้วก็เล่าว่านี่มันไม่ได้ศูนย์ป้องกันอะไรเลยนะเนี่ยขนาดคนในยังเอาไม่อยู่ <c oughs> หมอแหละเล่าให้ฟัง <c oughs> ก็หมอผ่าตัดมะเร็งยังเป็นอย่างนี้ท่านก็ได้ไม่ได้พ้นอะไรอ่ะนะดังนั้นก็บอกว่าศูนย์ป้องกันมันยังไม่ป้องกันเลยมันเล่นคนในเลยนะนั <c oughs> ่นก็มันก็เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเราก็รู้นะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าพอเป็นจริงๆเข้าเอาอ่าสมาอมคนเกิดมามันป่วยกันทั้งนั้นแหละเนี่ยนะอันนี้ก็เชื่อใช่ไหมแต่บอกว่าคุณเนี่ยมันจะกําลังจะเป็นอันนั้นเป็นอัน น, นนี้นะโอหอะไรเกิดขึ้นโทรมนัดเกิดขึ้นทันทีเลยอะ่ะ รู้นะว่าเกิดมาแล้วสัตว์ต้องตายทั้งหมดแม้ท่าจะรู้วันตายตัวเองนี่ชักไม่ค่อยสนุกเลยนะก็ก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าฉันนราคะที่มีอยู่ในกายนี้มันติดติดข้องแน่นยิ่งนักเนี่ยนะแต่ถ้ามันพิจารณาตามพุทธพุทธพจน์เนี่ยที่บอกว่าคําว่าฝีอันนี้เป็นชื่อของกายอันประชุมไปด้วยมหาภูตรูปสีซึ่งมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเติบโตด้วยข้าวสุกขนมสดมีความไม่เที่ยงต้องขัดสีนวดฟันแตกสลายกระจัดกระจายเป็นธรรมดา ถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะตัดมูลแห่งฝีได้อย่าลืมว่าการสร้างกายอันใหม่ในภพหน้าคือการติดในกายอันนี้นะเพราะมีพืชพันธุ์ไปจากอันนี้ใช่ไหมพืชพันธุ์แห่งการปฏิสนธิในภพใหม่อาศัยยางเหนียวที่มันติดในกายอันนี้แหละมันก็เลยเพาะพันธุ์นั้นข้างหน้าขึ้นอีกสมุทาลมะม่วง น, นะ ถ, ถ้าพูดเอ า, เอ า, เอาทฤษฎีต้นมะม่วงก็ใจง่ายดี คนอุปมาเข้าใจนะคนฟังไม่รู้ของใครก็ของใครอ่ะเขามีแต่สมขขกคนฟังเลยนี่สมแขอคนพูดนะคนพูดอย่างน้อยมันได้เข้าใจหนึ่งคนไว้ก่อนนะนะคือมีต้นมะม่วงต้นหนึ่งอ่ะสมมติว่าปกติมะม่วงมันถ้ามันจะแก่ได้ที่เนี่ยควรจะกี่เดือนอ่ะนะมะม่วงแก่ได้ที่เนี่ยนะที่เอามาบ่มพราะเม็ดขึ้นอ่ะควรจะกี่เดือน จังปนิดประมาณสามเดือนใช่ไหมทีนี้ไอ้มะม่วงอันนั้น่ะมันออกได้เดือนครึ่งนะเป็นลูกโตเลยนะเดือนครึ่งกัลูกโตนะพันดกเลยนะเต็มต้นไปหมดเลยแล้วไปไปไ ป, ไปตอน่ะนะไปไปขูดเยื่อการหล่อเลี้ยงที่ไปทำให้ข้างบนเนี่ยมันสุกได้อะ่ะคือหมายความว่าไปใส่พิษใส่อะไรโรยฝุ่นโรยพิษอะไรลงที่โคนมันอ่ะนะ ถามว่าเมล็ดพันธุ์อนันต์เนี่ยจะเพาะขึ้นไหมอันนะคือเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมให้มันแก่ใช่ไหมก็เพราะไม่ให้ขึ้น น, นะนะถึงมันจะมีลูกดกเต็มต้นอ่ะอันนะพอถ้าทําอันนั้นเสร็จเนี่ยถึงลูกมันจะตกลงพื้นดินมันก็เพาะไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะมันสิ้นยางไปแล้วผ้าหาันก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะท่านขั่วจนว่าอาีกุศลอกุศลที่มีอยู่เนี่ยมันนําเกิดไม่ได้อนะไร เพราะฉะนั้นท่านท่านโปรโยพิษให้ให้สุกอย่างอย่างเต็มที่ก็เลยเรียกว่าทำลายรากหมดแล้วเนี่ยนะคือรากที่จะไปหล่อเลี้ยงส่งเสริมสายพันธุ์ไงเนียตันหาอาวิชชาเนี่ยละหมดแล้วพังก็เลยเป็นพันธุ์ที่เพาะไม่ขึ้นเนี่ยนะพอเข้าใจไหมอย่างนี้นารเข้าใจแล้วได้<ม>แสดงว่าได้หนึ่งน้อยกว่สองเลยเนาะผู้การเข้าใจอยู่แล้วละ่ะไม่มีใครสงสัยก็ไว้ไปถามผู้การ อีกสูตรหนึ่งเลยนะในโยคักเคมีสูตรเนี่ยนะสูตรนี้เป็นการอธิบายเพื่อที่จะให้มีสั์ทินซีแก่ผู้ฟังนั่นเองดูก่อนพี่สูตรทั้งหลาย เราจากแสดงธรรมะปริยายอันเป็นเหตุแห่งบุคคลผู้กเกษมจากโยคะแก่เธอทั้งหลายเข้มังนี่เป็นชื่อของอะไรเกษมเนี่ยมาจากบาลีว่าเขมังนิพานนี่ยนะปกติโยคะสี่เนี่ยคืออะไ ร, กระเกษมจากโยคะสี่ก็หมายถึงว่าธรรมะปริยายอันเป็นเหตุแห่งนิพานเหมือนนเถอะเพราะว่ากเกษมจากโยคะนี่เป็นชื่อของ ท่านิพานบุคคลที่แทงตลอดพระนิพานนั่นแหละเรียกว่าผู้กเกษมจากโยคะนี่นแหละเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงฟังธรรมะปริยายอันเป็นเหตุแห่งบุคคลผู้กเกษมจากโยคะเนี่ยเป็นไงนะก็ธรรมะปริยายอันเป็นเหตุแห่งบุคคลผู้กเกษมจากโยคะนั้นน่ะคือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจากสุขอันน่าปรารถนาน่าใครหน้าพอใจเป็นที่รักอาศัยความใครชวนให้กำหนับ อันตราคตละได้แล้วนะอันนี้ทําไมพระองค์ต้องมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยละได้แล้วเป็นคนที่หมดฉันนราคาในรูปเส้นแล้วเนี่ยนะประกาศเพื่ออะไรนะเพื่อสร้างสัจทินซีให้แก่ผู้ฟังเนี่ยนะจริงๆแล้วปกตินะถ้อยคําลักษณะเนี่ยสาวกท่านจะไม่พูดกันเนี่ยนะพระอริยสาวกไม่ใช่ว่าท่านจะพูดใครอ่านเห็นสูตรนี้ไหมพระอรหันท์ท่านประกาศว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วในในพระไตรปิฎกเนี่ยเจอไหมไม่มีแต่ว่าอันนี้สําหรับพระพุทธเจ้าองค์ก็บอกว่าผู้ที่จะปฏิบัติตามพระองค์เนี่ยสัตทินรียมันกําลังไม่มากนักนะเนยองค์ก็เลยบอกว่าเนี่ยพระองค์ก็ทําอย่างนี้พระองค์จึงบัติสรูร้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเท่าก็บอกว่าถ้าเธอปรารถนาพ้นทุกข์เธอต้องทําอย่างนี้นะเนี่ยนะครก็เลยเป็นสูตรที่เรียกว่าประกาศสัทินรีให้ให้ผู้ฟังเนี่ยมีศรัทธา ในขณะเดียวกันคนอื่นๆถ้าไปเรียนแบบอะไรจะเกิดขึ้นมันเขามีนะอยู่เรื่องเขาบอกว่ามีราชสีตัวหนึ่งนะมันคำรามดังกล้องไปหมดเลยมีสุนัขจิ้งจอกอยู่ยตัวหนึ่งก็ไปใกล้เขาบอกเอ๊ะมันก็สีเท้าเราก็สีเท้านี่ใช่ไหมราชสีมก็กินเนื้อสัตว์เราก็กินเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นก็เลยจะคำรามเหมือนราชสีบ้าง เปล่งเสียงเมื่อไหร่เขาเรียกว่าหอน น, นะนะพระเจ้าก็คนที่จะคำรามตามเนี่ยนะระวังให้ดีเนืงเดี๋ยวจะเป็นหอนมันจะเดือดร้อน น, นะอันอย่างอย่างพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สิ้น่ะสิ้นจริงๆเนี่ยนะแล้วก็การประกาศเนี่ยพระพุทธเจ้าประกาศจบเนี่ยนะผู้ฟังเขาตัสรู้ตามใช่ไหมคือประกาศ คือพระองค์จะพูดกับคนที่พอจะบรรลุเท่านั้นนะเมื่อพระองค์พูดอย่างนี้จบผู้ฟังเขาจะตรัสรู้แต่ของเราถ้าพูดอย่างนั้นบ้างยังไงท่านจะได้บริจาคสตังค์ให้เยอะๆเนี่ยนะไม่ใช่นะคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นพระองค์กล่าวถึงว่าพระองค์เป็นผู้กำจัดฉันทราคะแล้วเนี่ยนะถอนรากขึ้นหมดแล้วทำให้เป็นเหมือนตามยอดด้วนทาให้ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา อันนี้ตถาคตได้บอกความเพียรที่ควรประกอบเพื่อละรูปเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นตถาคตบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้กเกษมจากโยคะคือพระองค์เนี่ยพ้นจากความยึดถือในรูปใช่ไหมพระองค์ก็ยังสอนให้ผู้อื่นเพื่ อ, อปฏิบัติเพื่อละรูปเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าปฏิบัติเพื่อกาจัดฉันทราคะในรูปได้อะจะมีความสุขว่าไเถอะ ถ้าจะว่าไปนะในโลกเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนเรื่องสีกันนะถ้าถ้าวัดให้มันดีๆเลยเนะี่ยเดือดร้อนเรื่องสีทั้งนั้นเลยนะสีอะไรที่มันเดือดทำให้เดือดร้อนมากก็สีหน้าไงนะหน้าก็สีไม่ใช่หรือสีผิวพรรณก็สีบ้านก็สีเพราะไอ้สิ่งที่เกี่ยวข้องทวารตาทั้งหมดเนี่ยมันสีไอ้ที่มีปัญหาทุกหมดโดยมากก็ ม, มีปัญหาในเรื่องของ สีทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ตัดชันนธาคะในสีได้แล้วเนี่ยนะละรูปได้แล้วอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าผู้กเกษมจากโยคะละถ้าถ้าตัดชั้นธาคะได้สีถ้าละสีนะ่มันเท่ากับละมหาพูดด้วยเพราะว่ามหาพูดไหนไม่มีสีมีไหมไม่มีเพราะถ้าพูดสีเท่ากับพูดมหาพูดเนี่ยนะเพราะไม่มีมหาพูดไหนที่ไม่มีสีเป็น เ, เป็นปัจยุบัน ของตัวเองเนี่ยนะที่ไหนมีมหาพูดที่นั่นต้องมีสีทั้งนั้นต้องมีสีทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่ามหาพูดเมื่อเกิดขึ้นอ่ะต้องมีสีมีกลิ่นมีรสอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของเขามีโอชาด้วยนะอันนี้เป็นเป็นผลของมหาพูดแน่นอนนะมหาพูดอันนั้นจะเกิดจากสมุทฐานไหนก็ตามต้องมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาอ่ถ้าบอกว่าถ้าละรูปเท่ากับละอย่างอื่นหมดเหมือนกันเนียนะ เสียงดุแต่หน้าไม่ดุอ่ะนะมัน ก, ก็ก็ไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่ใช่หแต่ถ้าเอาแต่ก็ถ้ากล่าวถึงความติดนะเสียงมาเป็นอันดับสองถ้าเทียบกับสีนะถ้าถ้าเทียบโดยทั่วๆไปอ่ะนะสีนี่ติดเป็นอันดับสอง เ, อเสียงละติดเป็นอันดับสองกล่นเป็นอันดับสามเนี่ยนะนะมันก็ติดตามนั้นตามนั้นคือหมายความว่าถ้าสิ่งนั้นนะสีดีถ้าเสียงดีด้วยยิ่งชอบใหญ่ สีดีเสียงดีกลิ่นดีก็ยิ่งติดมากสีดีเสียงดีกลิ่นดีรถดีก็ติดมากขึ้นแต่สีดีเสียงดีกลิ่นดีโพธาภะดีรถดีด้วยยิ่งติดมากขึ้นไลยอี ก, ก น, นะังแต่ว่าเบื้องต้นต้นก็อย่างน้อยที่สุดขอให้สีดียังเอาไปประดับบ้านเลยใช่ไหมเอาไปติดติดไว้ข้างๆตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้จับไม่ได้ต้องไม่เป็นไรขอให้มันได้เห็น เ, นเนไว้ก่อนเนี่ยนะอ <c oughs> เพราะว่าสีที่เราไปทาบ้านเราก็ไม่ได้คิดจะเอาไป เพื่อจะได้ไปฟังเสียงไปอะไรมันใช่ไหมขอให้มันทาทาไว้ให้มันดีๆก่อนแค่นั้นแหละอย่างทาเครื่องทาบางอย่างมันก็ไม่ได้ทาเพื่อเอาเสียงอะไรใช่ไหมก็ขอให้มันได้สีดีๆก็เป็นใช้ได้อย่างสมมุตินะทาเล็บนี่างเนะมันได้กลิ่นด้วยไหมได้รสด้วยไหมไม่ได้หรอกมันก็ได้แต่สีเท่านั้นแหละแต่ขนาดนั้นก็ยังก็ยังเอาอะงั้นเถอะเพรา ะ, ะสีนี่ไม่ให้ติดเป็นปริมาณที่จํานวนน้อยเนี่ยนะติดมากใน ประโยคอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันนะว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่ละฉันทราคะในเสียงในกลิ่นในรสในโพธิภะได้หมดแล้วเนี่ยนะถอนรากขึ้นหมดแล้วจริงๆอ่ะรากอันนั้นก็คือละสมมุติว่าละรูปละเสียงละกลิ่นละรสละโพธิภะละธรรมรมเนี่ยหมายถึงละฉันทราคะถอนรากราก รากของสิ่งที่ถูกละไปก็คืออวิชชานนะมันก็ถอนฉันทราคะตัดอวิชชาได้หมดเนี่ยนเพราะนั้นแปลว่ารูปเสียงตืล่นรถของพระองค์เนี่ยไม่มีง่อเงยอีกต่อไปนะพอพธรรมรมบ้างนะว่าธรรมรมที่พึงรู้แจ้งด้วยใจอันหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้ า, นาพอใจเป็นที่รักอาศัยความใคร่ชวนให้กำหนัด อันตราคตละได้แล้วถอนรากขึ้นหมดแล้วทําให้เป็นเหมือนตามยอดด้วนทําให้ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดานนถ้าพูดถึงตรงนี้นะถ้าพระ อ, องค์เนี่ยละธรรมมรมได้หมดเนี่ยถ้าเราเจะเจริญพุทธคุณเนี่ยศึกษาพุทธประวัติโดยเฉพาะก่อนที่พระ อ, องค์จะดับขันปรินิพานพระพุทธเจ้าเข้าสมาบัติเป็นโกดโกดสมาบัติ วันวันจะดับช่วงก่อนดับขันปริญพา น, นี่นะสมมุติถ้าพระองค์เข้าปฐมฌานนะปฐมฌานมีกี่ชนิดเข้าหมดที่ที่มีอยู่นะปฐมฌานมีกี่ชนิดเช่นปฐมฌานที่มาจากกสินมาจากอสุภะมาจากยังไงยังไงเนี่ยเจริญหมดอุปจาระสมาธิมีจากแง่ไหนเนี่ยเจริญหมดทุติยฌานเนี่ยมีกี่ประเภทเข้าหมดตัติยฌานมีกี่ประเภทในโลกเข้าหมดจตุทัชฌานมีกี่ประเภทเข้าหมด อรูปประชานเนี่ยนะเข้าทั้งรูปอรูปวิปัสสนาก็พิจารณาอย่างมากก่อนดับขันปรินิพานเนี่ยพระพุทธเจ้าเจริญวิปัสสนาเนี่ยเหมือนก่อนจะบรรลุทุกอย่างเนี่ยนะเจริญวิปัสสนาเหมือนกับตอนจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้ากับก่อนที่จะดับขันปรินิพานนะไม่ต่างกันเรียกว่าอย่างถามว่าทำไมอาหารของนางสุชาดากับอาหารของนายจุนทะเนี่ยมีผลเสมอกาน เพราะว่าเข้าสมาบัติเท่ากันเนี่ยนะในในการเข้าสมาบัติไม่มีความต่างกันเลยแต่ถ้าพูดถึงคนทั่ ว, ว, วไปสงสัยติดแย่เลยนะเพราะสิ่งแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่พระองค์มีมันน่าติดทั้งนั้นเลยอ่ะนยะอย่างสมาบัตินี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุขเล็กๆน้อยๆเลยนะี่ยมันเป็นเปน เ, ปนเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรจะเกินกว่านั้นอีกแล้วไม่มีติดแม้แต่อันเดียวเลยอะ่ะตัดชันนราคะในธรรมะเหล่านั้นได้หมดเลยนะ เพราะคำว่าธรมรมารมณ์เนี่ยได้แก่แม้กระทั่งมันทำจิตก็เป็นธรมรมารมณ์ใช่ไหมเมื่อมนณะสิการถึงเนี่ยนะทั้งจิตเจตสิกทั้งกลุ่มฌานทั้งวิปัสนาเป็นต้นเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นนหะพระองค์ไม่มีติดข้องนะพระองค์ละได้หมดเลยไม่มีฉันทราคะในวัตถุเหล่านั้นนั่นเลยเป็นผู้ที่บริโภคสมาบัติแต่ว่าไม่ติดข้องในในสมาบัติไม่มีฉันทราคะเลยเมื่อพระองค์เนี่ยละได้อย่างนั้นพระองค์ก็เลยบอกความเพียรที่ควรประกอบ เพื่อละธรรมอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยนะอันนี้นี่เป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งเลยใช่ไหมต้องต้องมาบอกนะนะบอกว่าเออต้องละอย่างนี้นะแต่ในชั้นแรกอะธรรมารมณ์ที่เป็นกุศลนี่สอนให้เจริญก่อนใช่ไหมเนี่ยนะแล้วให้ละฉันทราคะนะไม่ใช่ให้ละการเจริญกุศลนะฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละการเจริญกุศลแต่สอนให้ละฉันทราคะในการเจริญกุศลนะเนี คือเมื่อกุศลเกิดแล้วไม่มีฉันทราคะเกิดเดี๋ยวบอกว่าฉันละเนี่ยไม่ไม่เอาแล้วว่างั้นน่ยก็เลยบุญก็เลยไม่เจริญเลยอาุศลเกิดบาสนี่กันไะมไม่ใช่เพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้กเกษมจากโยคะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนี่เลยธรรมะปริยายอันเป็นเหตุแห่งบุคคลผู้กเกษมจากโยคะจับได้แล้วใช่ไหมว่าทําไมท่านจึงกเกษมจากโยคะ เพราะท่านตัดฉันทราคะในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะได้หมดแล้วเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าความกเกษมจากโยคะอย่างอย่างแท้จริงเนี่ยนะอ่านี่หมายถึงในอิทธารมนะทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะในอิทธารมเนะีไม่ใช่ว่าไปเนี่ยไม่มีฉันทราคะในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะที่เป็นอณิถารลมมาใช่นะหมายถึงว่าทุกอย่างน่าปรารถนาหมดเลยอะแต่ไม่มีฉันทราคะใน ในสิ่งที่น่าปรารถนาเนี่ยนะไม่มีเลย